ทำวัดเช้าที่นี่ต้องตื่นแต่เช้านะเช้ามากๆเลยมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้ใหม่เพราะต้องต่อสู้กับความง่วงออกจากกุฏิก็ต้องเจอความมืด บางคราวก็ต้องเดินฝ่าฝนมาทำวัดเพียงแค่ตื่นให้เช้านี่ผู้หมยหลายคนก็จะรู้สึกอิดออดนะมันฝืนกับความเคยชินเดิมๆอันคราที่รู้สึกแบบนั้นเนี่ยก็อยากจะให้นึกถึงคำของ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 เราจะมาวัดเองนะหรือว่าจะให้คนอื่นหามเรามาวัดมาวัดเองนี่มันดีกว่าตั้งเยอะนะถ้าให้คนอื่นหามมานี่แสดงว่าตอน น, นั้นนี่เป็นศพไปละนะอยู่ในโลงงลวหรือไม่ฉชนนั้นก็เพียบหนะัก เราจะพนมมือเองนะหรือว่าจะให้คนอื่นพนมมือให้งั้ถ้าพิจารณาแบบนี้นะมันก็จะเกิดความกระตือรือร้นขึ้นมาทันทีเลย้ลวพวกเรานี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ฉลาดนะ เราเลือกที่จะมาวัดด้วยตัวเองแทนที่จะให้คนอื่นถามเรามาวัดเราเลือกที่จะสวดมนต์เองแทนที่จะให้คนอื่นสวดให้เราถึงตอนนั้นก็อาจจะไม่มีประโยชน์ละถึงแม้ว่าผู้ที่สวดให้เรานี้เป็นพระอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ด้วยซ้ำํำแต่ตอนนั้น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 มันเป็นสิ่งที่ประจำสังขารของเราเพียงแต่รอเวลาแสดงตัวออกมาเท่านั้นเองบางคนมันก็แสดงออกมาเร็วหน่อยบางคนก็แสดงตัวออกมาช้าอันนี้เรียกว่าทุกข์นะแต่ว่าเป็นทุกข์ที่เราพอจะจัดการได้รอเพียงแค่ขยับเนื้อขยับตัวอ้าวทุกข์มันก็หายไปแต่ว่ามันหายไปทีเดียวก็ไม่ใช่นะ เพียงแต่มันก็หลบในเนะช่เรานั่งแล้วเมื่อยเราก็พิงเสาความทุกข์ไม่ได้หายไปมันแค่หลบแล้วเดี๋ยวมันก็โผล่มาใหม่พิงเสาสักพักก็เมื่อยนะพนะิงเสาเนี่ไม่ดีแล้วเอนดีกว่า น, ะนอนดีกว่าทีแรกก็ จ, จะแค่ตะแคงนอนตะแคงก็สบายแล้ว แต่มันก็ชั่วคราวเดี๋ยวก็เมื่อยแล้วงั้นนอนงายดีกว่านอนงายก็สบายแต่ความทุกข์ความเมื่อยความปวดไม่ได้หายไปไหนมันก็เพียงแค่หลบสักพักแล้วมันก็โผล่มาใหม่เมื่อยอีกละต้องขยับเนื้อขยับตัวอันนี้แหละนะให้เรารู้ว่าเนี่ยมันคือสัญญาณที่บอกเราว่า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 พิษสงเล็กๆน้อยๆของมันต่อไปมันจะมาหนักกว่านี้มันจะมาในรวมความเจ็บความป่วยซึ่งบางอย่างก็รักษาได้แต่ว่าบางอย่างมันก็รักษาไม่ได้ถถึงตอนนั้นนี่จะพึ่งยาจะพึ่งหมอก็ไม่พอนะ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 ถึงแม้ยังหนุ่มยังสาวยังมีกำลังวังชาแต่ก็มันก็มาในรูปอื่นความสูญเสียสูญเสียคนรักสูญเสียพ่อแม่ <c oughs> หรือสูญเสียของรักนะทรัพย์สมบัตินะชื่อเสียงกิจยศสถานภาพงานการในสิ่งเหล่านี้นี่มั น, นล้วนละแต่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 ความแตกต่างอยู่ตรงนี้ความแก่ความเจ็บความป่วยความพัฒพ า, าสูญเสียลดน้งความตายเกิดขึ้นกับทุกคนพระพุทธเจ้าก็หนีไม่พ้นนะแต่ความแตกต่างอยู่ที่ว่าใจเป็นทุกข์หรือเปล่าแก่เจ็บป่วยแต่ว่า ใจไม่ทุกนี่ก็ทําได้นะสูญเสียก็สูญเสียแต่ทรัพนะแต่ว่าใจไม่เสียใจไม่ทุกนี่ทําได้นะคนส่วนใหญ่ก็ไปเข้าใจว่าเนี่ยทุกเพราะสูญเสียทุกเพราะเจ็บเพราะป่วยทุกเพราะพลัดพรากอันนั้นเนี่ยมันคิดแบบนี้ก็ยังไม่ถูกนะมันรวดรัดตัดตอนเกินไป เอาหลายคนเขาเจอความพัดพลา mm. พดาเจอความสูญเสียนะเขาก็ไม่ได้ทุกอะไร mm. เงินหายของหาย mm. คนรักตายจาก mm. ก็ไม่ได้ทุกอะไรถ้า mm. มีผู้หญิงคนหนึ่งไปจู่ๆก็ได้ข่าวว่าก็ได้ยินว่า มีคนตะโกนว่าแม่เนี่ยถูกรถชนตายอยู่หน้าบ้านแกรก็ไปที่เกิดเหตุก็พบว่าเป็นแม่จริงๆแล้วก็ตายคาที่เลยแต่เธอก็ไม่ได้ร้องไห้อะไรไม่ได้ฟูมฟายไม่ได้คร่ำครวญคนก็แปลกใจนะ พ อ, อจัดการกับศพเรียบร้อยแล้วก็มีคนยังไปถามว่าทำไมเธอไม่ร้องไห้ไม่รักแม่หรือเธอบอกเธอก็รักแม่แต่ก็ที่ไม่ร้องไห้ก็เพราะเห็นว่าความตายเป็นธรรมดาก็าาเจ ร, ริญมรณสติอยู่เสม อ, อว่าความพัดพรากสูญเสียความตายสามารถเกิดขึ้นกับเรา และคนรักของเราได้ตลอดเวลาถึงแม้ว่าแม่เป็นคนที่ชอบทําบุญชอบใส่บาตรนะเมื่อมาลงเอยแบบนี้ก็ไม่เสียใจไม่ไ ม, ไม่ไม่คล่ําครวญว่าทําไมทําบุญแล้วถึงต้องมาลงเอยแบบนี้พอเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน อันนี้เป็นตัวอย่างของคนที่แม้ว่าจะประสบความพภา พ, าพาสูญเสียแต่ก็ไม่ทุกข์ความเจอบความป่วยหลายคนก็เจอแต่ใจไม่ทุกข์ทุกข์แต่กายแต่ใจไม่ทุกข์อย่างหลวงพ่อของเราเนี่ยนะตอนนี้ก็ป่วยมากแต่ว่าท่านก็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 บางทีท่านก็ใช้คำว่าสนุกป่วยนะเตรียมตัวตายก็สนุกดีความตายใกล้เข้ามาก็ไม่ได้ทุกข์ใจความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอกนะมันไม่ได้เกิดจา ก, กำคำพูดหรือการกระทำของใครบางคนไม่ได้เป็นเพราะว่ามีเหตุการณ์ใดมา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 ผู้จตรัสว่าทำที่มีอุปการะมากมี2ประการคือสติและสัมปชัญญะสติก็แปล ง, ง่ายๆว่าความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวแต่จริงสติทำมีหน้าที่หรือมีคุณมสมบัติมากกว่า น, นั้นเวลาทุกข์ใจเนี่ยอย่าไปโทษสิ่งอื่นอย่าไปโทษรูปรสกลิ่นเสียงที่มากระทบนะอย่าไปโทษเหตุการณ์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 พระเจ้าเนี่ยเคยเปรียบเทียบนะว่ามือที่ไม่มีแผลจับต้องยาพิษก็ไม่เป็นอันตรายจต่ที่เป็นอันตรายเพราะอะไรเพราะมือมีอมแผลเมื่อไปจับต้องยาพิษพิษมันก็ซึมเข้าทําอันตรายกับร่างกายจนถึงแก่ชีวิตได้นั้นถ้าเกิดมีเป็นไปอย่าไปโทษยาพิษนะต้องมาดูว่าเป็นเพราะมือมีอมแผลหรือเปล่า จริงๆเนี่ยถ้ามือมีแผลเนี่ยนะอย่าว่าแต่ ย, ยาพิษเลยนะแม้กระทั่งใบไม้ใบหญ้าเนี่ยมันก็ไปจิ้มเอาไปทิ่มเอาก็เจ็บเหมือนกันนะอันนี้ทุกเจ้า จ, จัดนะเรื่องมือที่มีแผลเนี่ยนะก็อบเมาอบไม้นะถึงใจของเรานี่แหละเวลาเราทุกข์เนี่ยนะไม่ใช่เพราะคําพูดของใครไม่ใช่เพราะการกระทําของ คนรอบตัวไม่ใช่เพราะเขาเอาเงินเราไปไม่ใช่เพราะาดินฟ้าอากาศเหตุการณ์บ้านเมืองหรือพฤติกรรมของนักการเมืองอันนั้นมันส่วนประกอบนะแต่สิ่งสำคัญคือใจเรามีแผลใจเรามีช่องโหว่ให้ความทุกข์มันเข้ามาครอบงำ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 กรอกูซ้าแล้วซ้าเล่าคนพูดบางทีเขาลืมไปละแต่เราไม่ลืมเราก็ไม่ลืมอย่างไม่ใช่ไม่ลืมอย่างเดียวแต่พยายามจําด้วยเอาคำพูดเอาการกระทำของเขานี่มามาคิดนะแล้วก็เลยเกิดความทุกข์เกิดความไม่พอใจเกิดความโกรธความเกลียดขึ้นมา เพียงแค่มีสติเนี่ยนะรู้ทันว่าใจกำลังเผลอคิดไปกับเรื่องที่มันผ่านไปแล้วพอรู้เท่านั้นแหละมันก็จะวางได้ไอ้ที่ทุกข์นี่เพราะใจไม่ยอมวางนะใจไปยึดไปแบกเอาไว้ไอลองดูเถอะนะในความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่รู้สึกทุกข์ใจขึ้นมาลองกลับมาดูใจ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 ที่จริงถ้าเราถ้ามันจะคิดแต่รู้ทันนะมันก็ทำอะไรไม่ได้หรือถึงแม้จะเผลอคิดไปจนทั้งเกิดอารมณ์ขึ้นมาเกิดความทุกเกิดความกลัวเกิดความเกลียขึ้นมาแต่มีสตินะ่ะมันก็จะช่วยดึงจิตออกมาจากอารมณ์นั้นถอนจิตออกมาจากอารมณ์นั้นความกลัวยังมีอยู่ความเกลียยังมีอยู่แต่ว่าใจไม่ทุกข์แล้วเพราะว่าเห็นมัน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 ให้ความทุกข์ความกรธความเกลียมันก็จะสอนทำให้เราเห็นความจริงนะเห็นความไม่จรังยั่งยืนของอารมณ์ต่างๆเห็นความเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงของมันอันนี้หละคือธรรมะนะที่ถ้าเราเห็นเมื่อไหร่นะได้กำไรอาจจะนึกขอบคุณคนที่ทาให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 แต่ละก น, นั้นา 3, ปีเนี่ยเธอก็กลับเหมือนกับชีวิตเนี่ยพลิกเปลี่ยนเป็นคนใหม่มีคนถามเธอว่าโกรธผู้ชายคนนั้นไหมที่สาสนำกรดใส่เธอเธอบอกไม่โกรธเลยเพราะเมื่อมาใคร้คัวญแล้วเนี่ยไอเหตุการณ์ครั้งนั้นมั น, มนทำให้มันมีประโยชนกับเธอมากนะ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 ม, มันก็เลยคล้าครวญมันก็เลยคล่ำ ค, วครวญอาจจะคล่ำครวนญนั่นแหละบางทีคล่ำครวญจนคิดสั้นทำร้ายตัวเองแต่ถ้าเรามีสตินะมันก็ทําให้เราได้ใคร่ครวญพอใคร้ครวญแล้วเนี่ยก็จะเห็นประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นรวมทั้งเห็นทางออก จากทุกข์ด้วยหลายคนนะเวลาเจอปัญหาในชีวิตปัญหาในการทำงานเนี่ยเอาแต่กลุ่ม เ, เมื่อใดก็ตามที่เรากลุ่มนีให้รู้ว่าใจเราเผลอไปแล้วลองกลับมาตั้งสติให้ดี ก็จะพบทางออกได้หรืออย่างน้อยเนี่ยพอมีสติแล้วเนี่ยก็จะไม่เสียเวลากลุ่มละแต่ว่าจะหาทางแก้ปัญหานี้มันไม่ได้มีไว้กลุ่มนะปัญหามีไว้แก้ถ้าไม่มีสติเมื่อไหร่นะปัญหาก็กลายเป็นสิ่งที่ทําให้กลุ่มอกกลุ่มใจจมจอมอยู่ในความทุกข์แต่ถ้ามีสตินี่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 อ่ะชาติก็เพิ่เกินเท่านี้นะอ่ะกรับพร